อานั่งตามสบายก็ต้องปองอระนมือก็ไดนะ้วันนี้ไม่ได้มาเทศวันเมื่อกีตั้งนโมธรรมดาปกติทางเทศต้องนโมหาครั้งล้วก็ขึ้นธรรมภพาสิทธแต่วันนี้ไม่ได้มาเทศมาคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าคุยกันนี่ก็หมายความว่าคนหนึ่งคุยคนหนึ่งฟังวันนี้เราลองลองลอ ง, ลองเก็บ ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณถ้าใครมีเทะอาะไรก็ไปคุยกันข้างนอกอือนไปใช่เวลาคุยกันน้องๆทั้งหลายมีเท่าไรปะปัปะงไปคุยกันข้างนอกอวันนี้เป็นวันที่วันดังที่เรามาภาษาพระเาเรยียกว่ามันแสดงความสังเวช นนเป็นภาษาธรรมะพนวะกเราเขาว่าสังเวชเราจะนึกตึงของไม่ดีเป็นภาษาไทยจริงๆหมายถึงความสลดอย่างผู้การที่จะไปอั น, นี้คือตำรวจวงการตำรวจกับวงการพระ น, ะนี่คล้ายๆกันแล้วก็จำนวนประชากรก็เล่ยเรียกกันพระทนายภาษากันะ่จะประมันสามแสนรูปดูประมาณ ตำรวจก็น่าจะม 2, ันสองแสนห้าถึงสามแสนโดยประมาณทางคู่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายก็คือตำรวจส่วนฝ่ายพระไปรักษากฎเหมือนกันก็คือทำมีในก็เรียกผู้รักษากฎกฎในโลกนี้มีสองลักษณะ แต่เรียกกฎหมายขอยงเราอันหนึ่งก็เรียกว่าคนคุมกฎอีกสอคือกฎคุมคนคนคุมกฎก็คือตำรวจนี่แหละกฎในการคัดแย้งกฎหมายอันหนึ่งคือกฎคุมคนอันนี้มันดีกว่าคือเรียกกฎกติกาพูดง่ายคือสินนี่แหละ แล้ยว่ากดใช้กดอันนี้เป็นคมคนแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยได้ผลทั้งสองอย่างมันมีที่มาเดียวกันเเรียกว่าภาษากฎหมายถ้างตำรวจเรียวาภาษากฎหมายพระเรียกว่าภาษาพินัยยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้อย่างนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญยังไงไม่ทราบภาษากฎหมายเขาก็ใช้อันนี้ ภาษาวินัยูชาวตรัสว่าอย่างนี้เจตนาหังวิเกเวกรรมัปานิพิสุทั้งหลายเรากล่าวว่ากรรมพิธิเจตนามันไปนพ้องกับภาษากฎหมายกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาแปลว่าเจตนาที่เกิดจากความคิดคําพูดการกระทําตามเรื่องนี้ที่เรว่อเจตนา ภาษาวินัยก็คือหนึ่งคือเจตนาหมายคือตั้งใจสองคือพยายามสามสำเร็จถ้าองค์ประกอบสามอย่างนี้เรลยกความผิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษากฎหมายหรือภาษาวินัยก็อ่านเดียวกันแต่ภาษาวินัยนี่เป็นภาษาพระเช่นขโมยของเช่นขโมพุทธรูป อันดับแรกก็คือเจตนาอุดมสม杰ตนาอันสอคือพยายามสามคือพยายามก็คือลงมือสี่ของมันเคลื่อนจากที่ยายาไปไหนแค่เคลื่อนจากที่อย่างวุตุรูปนี้แค่ยกคืออย่างไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปหายไปไหนแค่นี้เจตนาทางที่ไหนถือสำเร็จแล้วถ้าเป็นอ ბ ัดหนักอะรยู่ป่าอชิดแล้วถ้าเป็นรองอ ბ ัตสังขาเรเศจถือว่าถ้าทําสําเร็จแล้ว ทางคายเศษข้อแรกนี่ถ้าครบองค์ประกอบสาอย่างนีพระวินยธรรคือพระที่ตัดสินเรื่อนี้ถ้าเอตัดสินว่าอันนี้คือผิดถ้าครบองค์ประกอบอันนี้คือเรากำลังจะเล่าวา่าพวกการพระกับพวกการตรวจสิ่งที่มันคล้ายกันก็คือและเกิดความเสียหาย ไม่ว่าแตใครก็ตามนะว่าตั้งดวงกตามพระก็ตามเพจะมองในภาพรวมนาทีทั้ทงท่านหรือหลายแสนคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะเหมารวมแล้วพขาาพระเนี่ยบอกว่าพระเท ว, วันไี้แย่เขาแยเหมารวมเป็นอย่างนั้นเราก็ลังจะมองถึงว่าทั้งบทธรรมวงี้องค์ประกอบ ที่ทำให้มรถเราเดือดร้อนที่เรียกว่าเกิดกุศลอกุศลรู้สบายเฉยๆแต่ปุ่ภาษาเราง่หยๆคือบุญบาปแล้วก็ไม่บุญไม่บาปองค์ประกอบเขาก็มีสามอย่างคือนึงเกิดจากความคิดของเรานี่แต่ยังไม่สาเร็จแค่ความคิดนี่มันเป็นความคิดเริ่ต้นอย่างชัดคิดมีดี เขาคิดมีทั้งคิดดีและคิดไม่ดีเนี่ยโดยความหมายอันนี้ไม่เป็นไรคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่ตนเองเดือดร้อนอันนี้ระดับความคิดนะระดับสองคือแสดงออกทางคําพูดคือวาจาอันนี้เดือดร้อนถ้าเป็นกุศลในทางที่ดีหรือทางบุญไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นทางบาปเนี่ยเดือดร้อน ขอแรกที่สองข้ อ, อที่สามคือแค่พูดเฉยไม่เป็นลงมือทําอันนี้หนักเลยถือสําสเร็จแล้วทั้งสามอย่างเนี่ยเราจรึงเรียกว่ากรรมในทางาศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้กรรมก็แก้สามเรื่องนี้คนไม่ต้องไปหาใครไปแก้ในวัดไหนก็ตามผู้พิเศษผู้วิโสผู้ศักดิ์ศรีทั้งหลายเลยี่ใครแก้ได้ ถ้าเราไม่แก้ความคิดกาพูดการทําของตัวเองใครก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเรียกสามอย่างเรียกว่ากรรมกรรมังสเตวิพชติกรรมคือการกระทําทั้งสามอย่างนี้คือความคิดคําพูดการกระทําจะเป็นตัวจําแนกแยกแยะสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เกิดความแตกต่างโดยเอาพื้นฐานที่เรารับไปเมื่อกี้นะี่เป็นหลักพื้นฐานอะไรก็คืออะไร เพื่นถ่ายเป็นตัวที่ชี้ว่าว่าคนเนี้ยร่างกายเหมือนกันหมดเหมือนพวกเราท่าสี่กันห้าอันนี้มุ่งแค่ท่าสี่กันห้าอย่างเดียวท่าสี่กันห้าคือร่างกายเวลรูปกับน้าถ้าท่าสี่กันห้ารูปน้ำอันนี้ประกอบด้วยห้าอย่างที่รับไปเมื่อกี้หนึ่งก็สี่ห้าตัดไป่าไงกสิ่ห้าเนี่ย ถ้าพะใดมีศินห้าครบอยู่ที่ไหนไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีคุกหมดพระไปเยอะไอ้นศิษมันมีขึ้นมาสมมติให้ศิลห้านี้สมมติว่าสมมติเฉย เราทุกคนที่เรียกตัวเองเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพระก็ละแล้วแต่โดยสมมตินี้แต่ในทางปฏิบัติแล้วสินข้อเดียวก็ไม่มีเป็นคนไม่ได้นะอย่าเรียกตัวเองเป็นคนอย่าเรียกตัวเองเป็นมนุษย์อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นพระเพราะคุณไม่มีสมบัติใดๆเลย ทำไมถึงบอกว่าไม่มีคุณสมบัติเพราะคนหรือผู้ที่ไม่มีสินเลยสักตัวคนที่มีท่าเสียกันห้าเหมือนเราเราเห็นไหมที่เราดูถูกเขาว่าต่ำชา ม, มาโบควายตัวเงินตัวทองพวกเขาเหล่านี้สินสักตัวก็ไม่ ม, มีนั่นแปลว่า เราทุกคนภาวัาไหนศิ่งสักตัวก็ม่มีเนี่ยเราเป็นคนไม่ได้เลยนะเป็นได้แต่ร่างกายแนตะ่ใจเป็นไม่ได้เพราะนั้นผู้ให้มันสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นพัฒนาตัวเองเริ่มต้นจากศิ่อาจจะมีข้อ บ, บ้างไม่ข้อ บ, บ้างไม่เป็นไรสองข้อสามข้อแต่ต้องมีมากน้อยต้องมีเราเรียกว่าคน เขาไม่เป็นไรนะ ก, ก็จะเรียกว่าคนเองไนดะแต่ถ้าท่านใดครบเนี่ยเราเรียกว่ามนุษย์แปลว่าเป็นคใจสูงมาสูนที่ใจนะไม่เกี่ยวกับร่างกายนะโดยสภาวะมนุษย์ระส่งโอเนี่ยคารวาทยาโยงผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ไหมเป็นได้หมดคนไ ม, ม่เกี่ยวกับสภาวะเพศสภาวะ เพราะนั้นคนที่เป็นมนุษย์ได้คนนั้นต้องมีศีลห้าครับที่เรียกที่เย่ า, ยามนุษยนะ์เราจะเรียกว่าผู้จิตใจสูงใจสู ง, สงยังไงก็สูงกว่าสัตว์สูงกว่าคนจเรียกว่าสูงอันนี้อ่านในส่งเาะนั้นโบราณอาจารย์ถึงเน้นสิ่งเรล่านีมากทุกงานทุกวิธีทุกครั้งที่ต้องไหวพระแล้วก็สมาทานศีลอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะท่านอาาท่านให้ก่อนสำคัญมากไม่งั้นจิตออกจากร่างแล้วเป็นคนไม่ได้นะ ถ้ า, าีอสักตัวนึงที่สูงความมโนทีก็คือพระมือวระไม่แปลว่าประเสริฐพระมิได้แปลว่าเอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วเป็นพระอันนี้เป็นพระโดยสมมุติจะมีทั้งพระดีพระมัดีเ ป, ป, ป็นเ ร, รื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพระที่แท้จริงที่เรียก ว, ว่าประเสริฐที่แท้จริงคุณสมบัติคุณสินต้องคบรบเพราะฉะนั้นพระตนนี้มีสินเยอะ รวมทั้งกฎกติาการะเบียบข้อตกลงตลาดลุลุ่นว่ารอยี่สิจริงๆตัวศินยังไม่ถึงเอาไปว่า2องรยี่ส็ดแล้วกันแต่ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นพระจะมีเรื่องจุกจิกยุ่ๆเยอะมากปียามารยาตนี่คือความเป็นพระพระโดยสมมตินะส่วนพระที่ใจพระเต็มใจสมมติเนี่ยก็เป็นได้ทุกคนพว้เราผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็จิตดวงนี้จิตของพวกเราทุกคน่ มันเป็นมหมดแล้วเราจะไปคิดว่าเราเกิดเป็นคนเราไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน่ะหลักคิดผิดนะดูพริพุเจ้าเป็นหลักพระพุทธเจ้าพูดโดยไม่อายว่าพระองค์ก็เป็นมาหมดแล้วพวกช้างมาวัวควายแต่เป็นสัตว์ใหญ่อันนี้เป็นสัตว์เล็กแล้วเป็นก็เป็นหัวหน้าเป็นจ่าฟูงของนูโผงเพรานั้นจิตของเราน่ะมันพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่าง ไม่คิดออกจากร่างแล้วอยู่ที่ต้นทุนทีนี้ต้นทุนคืออะไรต้นทุนก็คือบุญกับกุศลนี่ไม่ น, นอกภยันนี่นี่คือต้นทุนของพวกเราถ้าใครไม่ต้นทุนเหล่าเนี้ยอนั้นก็จะไปได้ไกลแต่ที่สําคัญจากนั้นไปอีกผู้จักวางหลักเกณฑ์หรือโบราณอาจารย์ท่านก็จะวางหลักเกณฑนะ์เอเดี๋ยวพวกเราคงได้ฟังพระสวดพเพลินว่าเราฟังไม่เข้าใจจะเป็นคําที่เพราะมากเป็นคําสอนที่ดีมาก ผู้เจ้ท่านเรียงลำดับอย่างนี้คือการเวลาเนี่ยเขามีกฎกติกาของเขาชัดเจนแน่นอนยิงตัวการเวลาเขาคุณหนดอะไรไม่ได้หรอกแต่ตัวการเวลาเขาคุณหนัดอย่างนี้เป็นสามช่วงเป็นช่วงชีวิตของพวกเราเอันหนึ่งคืออดีตะคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วรวมไปแล้วปแปลจบแล้วอนาคตะ แล้วยังไม่มาถึงก็คืออนาคตท่านเรียนงดับอย่างนี้นะตัวที่สามคือปัจจุบันนี่คือความจริงอดีตะ้าเรียกอดีตนั่นแหละอดีตแปลว่าอะไรมันเป็นการเวลาที่เราใช้ไปแล้วแปลว่าหมดไปแล้วอนาคตะจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้มีตัวไม่มีตน แล้วก็ไม่มีความแน่นอนแปลว่าถ้าความคิดคาพูดการกระทาของเรายังอยู่กับอดิตะอยู่กับอนาคตคืออยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอยู่กับอดีตแปลว่าอยู่กับสิ่งที่มันจบไปแล้วอยู่กับอนาคตคือไม่ีอะไรแน่นอนเลยเราจะฝากชีวิตกับเรื่องที่มันจบไปแล้วกับเรื่องที่มันไม่แน่นอนนั่นคือฝากชิดไว้กับอดีตกับอนาคต หมายถึงครับคิดกับผู้การกระทําและผู้เจ้าสอนว่าอย่างไรผู้เจ้าสอนบอกให้อยู่กับปัจจุบั น, ป, นปัจจุบันถ้าจะเรียนท้ายสุดให้อยู่กับปัจจุบันธรรมคือเดียวนี้เวลานี้ขณะนี้อันนี้ก็อสียงผู้เจ้าย้นะํำก็แปลว่าเราอยู่กับความจริงอดีตจริงไหมจริงแต่มันจบนจบไปแล้วนะอนาคตเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยผู้นี้ จะมีหายใจอยู่หรือเปล่าไม่รู้คุณลึจะอยู่อะไรจะกินไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันทาราบเอาเดียวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้เรียว่าปัจจุบันไม่ได้แปลวันนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็จะถือปัจจุบันเรายังมีลมหายใจอยู่ในขณะที่ผู้กันยำนวงท่านหมดแล้วอดีตใช้ไปแล้วอนาคตไม่มีใครรู้ ปัจจุบันธาตุขันธาตุคือดินน้ำไฟลมขันก็คือรูปนามรูปเวทนาจิตนาการวิญญาณธาตุทั้งสี่ลมไม่มีแล้วเวลาเราเกิดมาตัวที่เกิดก็ได้คือดินดินจะปรากฏก่อนธาตุทั้งสี่แต่เวลาตัวไปจริงๆลมไปก่อนลมเป็นตัวสุดท้าย เราเมืที่เหลือมันก็จะตามไปที่หลังในธาตุทั้งสี่เพราะฉะนั้นตัวเราคือธาตุกับขันอั่นี้ยขันขันก็คือขันห้าคือรูปเวทนาคือรูปกับน้ำรูปคือตัวเราเนี่ยเสี่เราเข้าใจเป็นตัวเราเน้ํนำคือสีส่ตัวคือเวทนาจิตญ า, าณวิกญาณซึ่งตัวนั้นตัวที่จะไปเมื่อจิตออกจากร่างแล้วถ้าพวกเรายังนึกไปออกเ ร, เราเปลือบเพี้ยนให้ฟั ง, งง่ายๆอย่างนี้ สมมติจากนี้ไปเราเสร็จงานแล้วเรากลับไปบ้านกลับไปบ้านนะ่ะภารกิจคงไม่มีอะไรแล้วหน้าที่แต่ไปคือ น, นอนแต่มันแตกต่างจากผู้การจำลองนิดหนึ่งผู้การจำลองไม่มีลมหายใจนะแต่พวกเราลอมยังมีลมหายใจแต่สติไม่อยู่กับตัว ความรู้สึกคือเวทนามี่อยู่กับตัวมันมีแต่ลมหายใจเข้ า, ขาหายใจออกเท่านั้นนั่นแปลว่าอิมพตทั้ง4คือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนซึ่งเป็นอระโยชน์ของคนของมนุษย์ทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนแล้วในะอิมพตทั้ง4ี่นี้อิมพตที่ปุการจำลองใช้อยู่ขนาดนี้เป็นอิมพตที่เรา ใช้ทุกวันและก็เป็นในอิบอที่เราใช้มากที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นอิบอดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยบุญก็ไม่เกิดบาปก็ไม่เกิดเสียเปล่าคือนอนนี่แหละแต่ว่าเรานอนนอนหนึ่งแปดชั่วโมงก็แปลว่าวันนี้จะไม่ได้อะไรแปดชั่วโมงนี่กขึ้นในที่นี้ในขณะที่แปดชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น มันกำลังจะบอกเราว่าวันหนึ่งข้างหน้าวันใดวันหนึ่งก็ตามมาแน่นอนคือความตายถ้าใครยังรู้ว่าตายแล้วเป็นยังไงก็เอาตอนนอนเป็นหลักนอนเสร็จแล้วหมดสติตาทําหน้าที่ไม่ได้โอ้โหทำหน้านที่ไม่ได้ปากทำหน้านที่ไม่ได้แขนขาตายไม่ได้เลยเหลือแต่ลมเข้าลมออกเท่านั้นทีนี้มันเหลือแต่จิตที่มันปรุงหรือสังขาร จิตอันนี้ภาษาศัพท์ของเราว่าผ้าวังคดจิตแล้วก็มันยึดเอาจริงที่มันยึดในขณะวันนี้มิตรคือเครื่องหมายภาษาเราง่ายคือฝันเรียกวฝันฝันเกิดจากอะไรใจมโ น, โนคือใจในขณะที่ใจมันนึกสมมติราภาพอะไรขึ้นมาภาพกำลังจะปรากฏกลายเป็นภาพเราเสี้ยง น, นว่าภาพแต่ภาษาศัพท์อันนเรียกว่าพบ พบมันเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็จะโปร่งต่อท่าเรียกว่ากรรมนิดๆมันก็จะโร่งต่อเหมือนกับเราในชีวิตประจำวันนะวันหนึ่งเกิดดับเกิดดับไม่รู้กี่ครั้งพบชาติไม่รู้กี่ครั้งเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้คําว่าไม่รู้คือไม่มีสติพราเราไม่ได้ฝึกสติอยู่พระเหมือนพระกรรมฐานแต่กรรมฐานน่าฝึกสติเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าในขณะที่เราฝันไม่รู้กี่เรื่อง ไปเรื่อยจนวันได้เวลากำหนดจิตมาตั้งมันในการปลุกอัตโนมัติตื่นขึ้นมารู้ตัวรู้ตัวคืรู้ทั้งตัวคำรู้ตัวคือความรู้สึกเวทนาคือการสวยอารมณ์ก็จะรู้สึกคือภาษาก็เกิดมันก็รับรู้ข้างนอกตามปกตินี่คือชีวิตปัจจุบันของเราแต่คนตายมันไม่ใช่อย่างนั้นวิจิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ย รูปหยาปรี้มันใช้ไม่ได้เลยมันใช้ใชเฉพาะรูปละเอียดที่มันนึกได้นั้นที่เรียกว่ารูปปกะพบมันใช่รูปตัวนั้นแ่ละแต่รูปตัวนั้นถ้าว่าจิตมันไม่ดีสมมติวมันมีแต่ตัวเงินตัวทองเกิดอะไรขึ้นมีแต่ช้างมาวัวควายเกิดอะไรขึ้นที่มีตัวนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เคยรักษาศินเลยมันไม่ได้นึกถึงสินสักขอนึกไม่ได้เพราตัวเองไม่เคยทํา อันตรายนะนึกอะไรออกนึกถึงหลูกนึกถึงหลันนึกถึงสมบัตินึกถึงความโกรธความหลงคนนั้นคนนี้คนน้นอันตรายนะจิตโดนน้ำตาลเป็นในความสมองอันตรายนะถ้าจิตโดนน้ำจิตดีนึกถึงพัตนาใจคือคนดีดีคนของศีลก็ที่จะรักษามากน้อยไม่เป็นไรภาพหรือพบอะไรที่จะเกิดจิตมันก็จะไปตามพบอันนั้นแหละ เดวการมาพบรูปพ อ, ปอรูปพปคือไปเสวยเราก็กลับมาหลังจากนั้นก็กลับไปถ้าต้นทุนมีน้อยมันกลับมาเป็นรูปถ้าเสียกันห้าเหมือนกันนี่แหละแต่เป็นคนไม่ได้นะเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้นะมันก็เป็นได้เฉพาะที่เขาที่ไม่มีสินตัวแล้วมันก็จะไหลไปตามนั้นนะจิตมันก็จะไหลไปตามนั้น คือิตมันก็จะสิงประอยู่กับกองพวกนั้นโดยสภาพมันก็จะเป็นพวกนั้นหนักทีนี้รักษาสินได้ไหมไม่ได้เรียนหนังสือได้ไหมไม่ได้ทำอาหากินอื่นไม่ได้เสื้อผ้าผมไม่ ม, ไมีง่ายกับปัจจัยสี่ที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีเลยเวลนฝากพวกเราทุกคนว่ามันถึงเวลาที่เราจะเข้าใจเรียนรู้ศึกษาสิ่งเหล่านี้หรื อ, อยังอย่างน้อยที่สุดก็คือสอ้อนคํา คือโลกกับธรรมพวกเราเข้าใจสองคำนี้มากน้อยขนาดไหนเหมื่อหลายเดือนก่อนรุนเรียนในร้อยคือตำรวจนี่แหละนี่มอญพูดเขากาม็มีความกังวลในเรื่องของสถาบันก็เลยถามเขาว่าเขาเข้าใจสองคำนี้ไหมหนึ่งขาวนโลก สองทำโดยภาพรวมเข้าใจแล้วถามอีกทีว่าที่เราเรียนเรียนเรียนียนยนกันที่เราฝึกฝึกฝึกกันทั้งหลายแหล่นี้เราคิดว่าเราฝึกดีแล้วจริงๆเราไม่ได้ฝึกดีแล้วนะเราถูกคนอื่นให้เราฝึกดีแล้วแต่เราไม่ได้เรื่องอะไรเลยกฎกติกาบาังครับ ก็เลยฝากเขาสองเรื ial, us, ่องก็คือสองคำถ้าจะให้ดีถ้าจะให้มันสมดุลกันคือสองคำคือคำหนึ่งคือวิชาคำสองคือจรณะอย่าไปให้เรียนเรียนเรียนวิชาอย่างเดียวแต่จรณะไม่ได้ส่งเสริมเข้าเลยพูดง่ายๆคืมีความรู้ดีแต่ความประพฤติแย่มันก็เอาความรู้ดีที่มันมีแหละไปเอาเปรียบ คนอื่นเขาเรียกว่าฉลาดเอาความฉลาดไปเ ป, เปเรียบเทียบเขาในเขาก็คนมีวิชาแต่ไม่มีจรรยานะคือมีความประพฤติเพราะนั้นสองอย่างนี้นมันต้องควบคู่กันไปอย่างนั้นก็สมดุลกันเพราะฉะนั้ น, นว่วกาบาเรื่องโลกโลกกระทำโลกกระทำง่ายๆเอาข้อใจเป็นหลักนะ เวลาธรรมาพูดห อ, อะไรเนี่ยจะนึกถึงพระเจ้าเป็นหลักแต่ยึดโยงพระเจ้าเป็นหลักไม่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์ถ้าอาพระเจ้าเป็นหลักเนี่ยลองดู ว, ว่าพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตแบบโลกเหมือนพวกเรา29ปีก่อนหน้านั้ น, นมีเหมือนพวกเราหมดเรียนคือวิชาหนีครอบครัวทํางานมีลูกครบหลังจากนั้นขันหลังให้หมด ทิ้งไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยไม่เอาอะไรไปเลยเข้าป่าอยู่ป่าพูดจริงจ้าของเรานั้นถ้าเป็นภาษาเราง่ายเกิดในป่าอยู่ในป่าตายในป่านี่ก็เรียกวาผ้าป่ายัางแท้จริงพูเจาเป็นต้นเรียกวภาพ้าป่ายัางแท้จริงเกิดมาแล้วพูเจ้าวทิ้ง เพราะนั้นคำว่าโลกโดยความหมายแท้จริงก็คือสุดท้ายต้องทิ้งนี่คือคำว่าโลกและสิ่งที่โลกพึ่งก็คือต้องการนั่นแหละก็คือสตังค์กูจะเรียกว่าเงินเดือนเรียกว่ากาไรเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เราจงมุ่มงไปที่สตังค์เงินสุดท้ายเงินก็ทำลายคนเห็นไหม ที่เป็นขาทุกวันเนี่ยพอเงินเป็นตัวตั้งคพังพอสุดท้ายนี่ค่เอาไปได้บางพวกการก็เอาอะไรไปไม่ได้อันนี้คือโลกนะอันนี้คือสตังค์นะฝ่ายโลกทําทําเอาอะไรทําคือสติมันแตกกันอย่างนี้ฝ่ายโลกก็หาสตังค์ฝ่ายธรรก็หาสติพระพุทธเจ้าก็ทําให้ดูว่าสมัยท่านอยู่เป็นโลกท่านก็หาสตังค์ คือทท่านทิ้งสตังค์กหาสติเพราะนั้นพระเราก็ควรจะยึดอันนี้เป็นหลักว่าเมื่อเข้าอยู่ในวงการนี้นสิ่งที่เราจะต้องหาที่แท้จริงคือสติไม่ใช่สตังค์พระเราลงทางเยอะจะไปขาว ค, ควาคือโคลนก็รอกว่ า, วานี่แหละพอไม่ดูพระเจ้าเราไปวุ่งที่สตังค์ทังทุกลนเพราะนั้น สตังในใช้สำหรับเกิดแก่เจ็บตายเหมือนผู้การเนี่ยจบแล้วนะสตังมีเป็นแสนเป็นล้านก็ทำอะไรไม่ได้แต่ที่เหลือคือสติถ้ามีสติจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสองคำนี้ฝากพวกเราทุกคนสตังเราหามาเยอะแล้วเหลือคำเดียวก็คือสติสติที่ให้อยู่กับตัวให้มีความรู้ตัวมีความรู้สึกตัวรู้สึกดีชั่วมากขึ้น แล้วก็วันทั้ง3วันก็คือวันที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เชื่อพรุทธเจ้าผู้จริของเรานะให้อยู่กับปัจจุบันโลกที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนี่ถ้าเราเชื่อพระุทธเจ้าแล้วเชื่อเหลือเกินว่าอนาคตหรือที่จะไปข้างหน้าเมื่อจิตออกจากร่างไปแล้วนี่ถ้าเรามีความพร้อมคือต้นทุนต้นทุนคือบุญบุศส น, นั่นแหละถ้าเรามีพร้อมเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงอนาคต เราไปวาเหมือนตอนนี้ถ้าเราตอนนี้เราเป็นคนดีไม่ล่วงละเมิดสินฮาเนะี่ยมัต้องไม่ห่วงคุกตารางต้องไปกลัวตำรวจทหารราชการเพราะเราไม่ทําความผิดเนี่ยเหมือนกันมันโลกวันนี้ก็เช่นเดียวกันโลกหน้าก็เช่นเดียวกันถ้าเปรียบเอาไว้ให้ฟังอย่างนี้สําหรับคนที่ล่วงละเมิดศินฮาเป็นอา จ, จริงที่อยู่วงเขาเหล่านั้นคือ เรือนจำตอนนั้นก็จะเที่ยวเข้าเที่ยวออกเที่ยวเขาเที่ยวอ อ, เ, ว อ, อเรือนจําเช่นเดียวกันที่อยู่ของมนุษย์คนหรือสัตว์ทั้งหลายถ้าบุคคลคนนั้นทิ้งห้า ย, ยังไม่ครบเพราะนักตัดยังไม่พร้อมบันไดขั้นแรกยังไม่ถึงหมายถึงโซดาเขาก็ยังจะติดคุกกันนี้แหละคุกที่ว่านั่นก็คือ วัตตะวัตตสงสารอันนี้เพราะนั้นวัตตสงสารจึงเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลทาอย่างไรเพื่อจะออกจากคุกถ้าเป็นคนคุกไ็้ บ, บอกต้องทำความดีเป็นนักโทษชั้นดีก็ลดหย่อนพันโทษลดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรงหนึ่งเหลือไม่กี่เดือนถ้าทดเบาๆก็ออกจากคุกแล้วเราก็เหมือนกัน ถ้าเราปฏิบัติดีเหมือนพระพุทธเจ้ากล่าวรับรองเอาไว้ว่าอย่างช้าจดปีหึงปีเปีเ จ, จ็ดชาติเป็นอย่างมากอย่างกอย่างนะเราก็สามารถออกจากคุกคือวัฏสงสารอันนี้ได้ถือออกไม่ได้ก็ได้รับส่วนลดกลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญกุศลให้ดีที่สุด กับมาสู่พวกเราเนี่นแหละสถานะเขาพวกเราตอนนี้คือกลับมาเป็นคนเป็นกลางบำเป็นบุญเพื่อสูงกว่านี้อย่าให้มันต่ำไปกว่านี้ที่ที่ต่ำกว่านี้มีเยอะกับพวกเราไปอีกทีคอยสูงกว่านี้อย่างน้อยที่สุดคือกลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์ก็อยอย่างดีอันนี้คือสารธรรมสาหรับฝากพวกเราข้าคืนวันนี้ที่เป็นสาระถ้า เราโอปะณจโยโกคือน้อมแล้วคิดตามคือโอปะณจโยโก้คอยตามจนเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เจ้าฝากเอาไว้ใจศีรษาคือศีลสมาธิปัญญาวันนี้เราได้บำเพ็ญพร้อมแล้วบนตนจะไว้พระคือเป็นคนดีละใจเป็นพระวันนี้ถึงแม้พูะทานอาจจะร่างกายเป็นพระแต่ใจเป็นพระนะ คือประพุทธประธรมประสงค์นี่พระต่อขอื้นศีลรับแล้วก็ตั้งใจฟังคือสมาธิฟังแล้วก็คิดตามเข้า้ตามเกิดปัญญานี่ s i อ the r i g ขาที่พ that า h e Buddha h ้ s p l a c e า If a ม y o n ค f o l l o w น this path, this is the only path. It will lead to good r e s ช l t s It will not l e a ป to suffering. If we follow this p a ร h this is the path of merit f ง r today. I pray for the success of the hearing and doing i ผู้การจำานวงผู้ลงรับไปแล้วตลอดทั้งบัตรพุุษของพวกเราคือพ่อแม่ปูยาตายายผู้มิผูคคนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้การแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปาการพราชนี